อยากจะให้สมาทานพรตันตนาัยอย่างตั้งอกตั้งใจให้เป็นสกีพยานคือมีพระสงฆ์นี่เป็นพยานและพวกท่านทางไหนจจมีกำลังใจดีที่สุดต่อ น, นั่นไปเมื่อถึงพตันตนาใยแล้วเป็นขั้นที่หนึ่งห้ขั้นที่สองอยากให้ตั้งใจสมาทานศีลวันนี้พระสงฆ์จะเป็นสกีพยานให้คือการรักษาศีลไม่ได้บังคับหรอก ใครจะตั้งใจเป็นพมจารีก็เอาตลอดชีวิตก็เอาวันนี้พระสงฆ์มาแล้วใครจะตั้งใจรักษาสินห้าก็เอาตลอดชีวิตก็เอาใครจะรักษาเป็นวังวันวังวันก็เอาใครพญาน้อยแล้วแต่แล้วแต่คนจะเอาให้ให้รู้จักพูดให้รู้จักวันนี้เพื่อจะหายความสงสัย ใ, ใครจะตั้งใจแล้วแต่ศรัทธาของเราวันนี้จะประกาศให้ญาติโยมรู้จักเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ไปหลายวันเนี่ย มีอะไรก็จะค้นให้ทั้งหมดล้ไม่เอาไปด้วยล่ะไม่เอากลับบ้านเทเทไปในที่นี่หมดหลักความจริงเป็นอย่างนี้คือเราปฏิบัติทีหนึ่งสมมุติมองถึงมีมุดเราเป็นทุกขปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกนี่เป็นทางเดินอย่างนี้อันนี้เป็นมรรคปฏิป ท, ทาเป็นมรรคแปดก็ได้เป็นทางที่สัญจรไปถึงทางที่พ้นทุก วันนี้จึงจะมาพูดให้ญาติโยมฟังซนะใครมีศรัทธาแค่ไหนก็เอากันออันนี้เป็นทางที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยนะแต่มันแย่งกันตัญหานะมันต้องลบกิเลสมันลบกิเลสประเด็มันยุ่งเหมือนนั่นเนี่ยเราจะเอากิเลสมาให้เอาเลยวุ่นวายมันเป็นทุกข์ลาบากเมื่อมันรู้จักทุกข์อะไรมันก็ออกนะนั่นเนี่ยอันนี้เป็นทางดําเนินที่ตรงอันนี้พูดให้ญาติโยมฟังนะศินห้าสินแปด ทุกประการนี้เรียกว่าศีลเนี่ยจะสมาทานด้วยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปตวิรัติเรารู้แล้วก็ต้องเราเห็นโทษหมดเลิกมันก็เป็นศีลไอประการที่สองนั้นต้องไปถามคนอื่นต้องสมาทานกับพระสงค์หรือใครคนใดคนหนึ่งให้รู้จักเรียกว่าสมทานนวีรัตงดเวน้นอันที่สามนั่นสมุเฉททวีรัตสมาทานกับคนอื่นก็ได้สมาทานด้วยตนเองก็ได้วันเลิกเลยเป็นศีลของพระอริยะบุคคล ผู้ที่ยังไม่เป็นอริยะสมาทานศินชนิดนั้นก็เพื่อจะเป็นอริยะต่อไปโคตรมาถึงศินนี่หนักไปหน่อยนะหนักก็ช่างมันไม่ต้องกลัวมันมัน<ด>จะไม่หนักยุที่มันหนักนั่นแหละทำอย่างนี้หมดหนักแล้วมันก็ไม่หนักก็สบายท่านเนี่ยอย่าไปกลัวมันนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวมันพระพุทธเจ้าท่านตรีบว่าดอกบัวดอกบัวสีเหล่าก็เหมือนจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี่ดอกบัวมันใจของเรานี้ บางดอกมันก็จมอยู่ในโคลนดอกที่จมอยู่ในโคลนนั้นดอกที่สองก็มาอยู่กลางน้ำดอกที่สามจิตใจของคนก็อย่างนั้นดอกที่อยู่ในเสมอน้าพรุ่งนี้ก็จะบานดอกที่อยู่ในโคลนในตมนั้นยังมีโอกาสเต่ามันจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ปลาจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ ยังไม่ได้โอกาสว่าที่จะได้เป็นดอกบัวบานแต่อดอกที่พ่นน้ําแล้ ว, วก็พรุ่งนี้ก็บานเราจะเอาดอกไหนก็เอาเอาที่อยู่ในโคลนก็เอาเราจะเอาอยู่ในเสมือน้ําก็เอาแต่มันปลาไปกินนะ่ะเต่ามันไปกินนะ่ะถ้ถามันถ้ามันถ้ามันเสมอน้ําพุ่งนี้ก็พ้นน้ําบานเต่าไม่ควนนะที่นี่ปลาก็ไม่กวนพ้นอันตรายเนี้ยโยมจะเลือกเอาดอกไหนนะ่ะเอาอยู่ในโคลนหรือ อยู่ในน้ำหรือมันจะพ่นน้ำเอาอะไรก็เอาทิเข้าใจนะเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นใครทนปลามันกัดเต่ามันกัดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ดังลำบากเนี่นั้นแหละานมันบาลดอกที่สี่มันจะบาลนะก็ใครชอบเต่าชอบปลาก็เอาสิอ้อยู่ในในโคนนั่นแหละไอ้อยู่ในเสมอน้ำอยู่ในกลางน้ำนั่นแต่มันเต่าปลามันกวนไม่หยุดนะจะไปก็ไปถืออัตมามาแล้ว พระภากโลกมาแล้วช่วยแล้วอืมเอาเรือมารับแล้วจะไม่ขึ้นเรือหรือหรือจะจมอยู่ในน้ําก็เอานีให้ปลามันกวนให้เต่ามันกวนนี่นั่นเอาไหมหน่ะใครจะไปรีบมาขึ้นเรืออาตมาตจะไปนั้นอันนี้มาคราวนี้มีประโยชน์เห็นประชาชนมาเรื่มใสก็อาตมาในภูมิใจนี่เพราะอํานาจบา ร, รมีอืมที่อาตมาอยู่ไทยแลนด์นี่ ไอ้พวกแจ็ค ก, ก็ไปโพนี่ก็ไปก็ไ ป, กไปเรียนไปพบการแล้วก็เลยมาบารมีของแจ็คเขาของโพเขาเดี๋ยวมามเป็นเหตุได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายเนี้ยอาตมาก็มีความภูมิใจแต่ว่าดูแลก็อยากจะไปเหมือนกันเนี่ยแต่ยังพวงเต่าปลาอยู่หลายคนมาอยากจะขึ้นเรือก็อยากจะขึ้น แต่ห่วงปลาห่วงเต่าอ่ะถ้าขึ้นเรือไปถ้าได้เต่าปลาไม่ใจ่ไม่ไดกวนนี่ไม่อยากจะไปก็มีไป็นไงมีไหมเอาไงากันล่ะวันนี้พูดความจริงให้ฟังถ้าญาติโยมทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ไม่เห็นไม่รู้สึกวันนี้วันต่อไปจะเห็นจะรู้จักสิ่งแต่แต่มาพูดมา น, นี้จะเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ในเวลานี้บางทีก็อยากไม่ค่อยจะเห็นชัดก็ได้ แต่ติดตามนะอย่าเอาไปทิ้งนะต้องติดตามสนใจที่อาตมาเทศนี่นะนะเดียวจะได้กลับเมืองไทยแล้วไม่ได้พูดกันในที่นี่นะแต่จะมากลับเมืองไทยแล้วก็ไอความดีทางหลายไม่ได้เอาไปหรือเอาไว้ให้โยมหมดทั้งนั้น เ, นเอาไว้ตรงนี้ไปเตะตัวเปล่าๆนั้นเพื่อโยมอยากจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปใช้ก็ดีเตาฟ้าจะไม่ได้กรูนแล้วก็ง่ายอื่ดันั้นจึงมีความภูมิใจมาก เมื่อเทศให้ฟังนี่ห <Gym. S 1> ลายวันเลยนะถ้าใครสนใจคนจะรู้เดีมั้งใครใครจะรู้เนอะพอสมควรก็กลับบ้านเท่านั้นแหละตอนนี้ไปจะทำพิธีให้ถึงพระตัณตรัยในสมทานศีลเนี่ยตั้งใจทุกคนเขาจะตั้งใจยังไงก็เอาใครจะเป็นพรมจรีก็เอาจะมีกี่คนไหมเนาะหนี้ในนีเนาะดอกบัวจะบานพรุ่งนี้มีกี่ดอกเนะ น่ามันจะเป็นเต่าปลากวนอย่างนี่หลายวันนะเดือนเอ น, นี่ยมั้นี่ใครจะเอาสินห้าก็เอาอืมใครจะเอาพมจารีก็เอาใครจะตัดเลือกเลย ก, ก็เอาตัดตสินกันวันนี้แหละต้องเอากันไม่อย่างไวก็อย่างหนึ่งก็เอากันดิแหม่นั่งรถจนมาทํากรรมฐานเอาของดีให้ไม่เอาเดีก็แล้วกันเท่านั้นเ่าไว้ <c oughs>